พระพุทธเจ้าท่านเป็นนักรบท่านสอนในพุทธบริษัทเป็นนักรบเหมือนกันวิธีการท่านไปเที่ยวกรรมาฐานในที่ต่างๆล้วนแต่เป็นวิธีการของนักรบทั้งนั้นไปตามต่างตามเขาลำนวไปคนอยากขายแกนไม่สนใจมิได้ตั้งหน้าต่างตา เ, าญญาเาข้าสู่แนวรบเพื่อข่าวิเลศซึ่งเป็นตัวก่อควนตัวทาลายจิตใจของสัตว์โลก ม, มีอะไรที่จะเป็นภัยร้ายแรงเป็นภัยเล็กภัยน้อยภัยใหญ่ภัยโตภัยรอบด้านมีจากกิที่ทั้งนั้นเลยพิจารณาเต็มสติกําลังความสามารถมองหาไม่เห็นว่าอะไรเป็นภัยต่อสัตว์โลกก็มีกิเลสต่างคนต่างมือเมื่อต่างคนต่างมีอต่างคนก็ออกมาจ่ายตลาดเลยจ่ายตลาดกิเลสไม่เหมือนจ่ายตลาด ของสดของแห้งที่เรานํามารับทานนี่เกิดประโยชน์จากจ่ายจ่ายนี่มันร้อนต่างคนต่างมีสากระจายมาโลก ร, ว, รวมมันก็ร้อนเนี่พระพุทธเจา้าท่านสอนให้เป็นนักบรบดึงแรกมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าทรงดําเนินมาแล้วได้ผลอย่างไรก็นําวิธีการดําเนินที่ถูกต้องและได้ผลเป็นที่พอกระไทยมาแล้วนั้น มาสั่งสอนสัตว์โลกโดยลําดับตําดับผู้ใดเชื่อฟังตามพระพุทธเจ้าก็รับชัยชนะผู้ไม่เชื่อฟังก็จมไปเนี่ยมือท้าถอดแต่ไปไม่รอดจอดจมผู้ใดเชื่อฟังตามพระพุทธองค์ก็ผ่านพ้นมาได้โดยลําดับตลำดับพระพุทธเจ้ามาตรัสลู่แต่ละพระองค์รู้สึกว่าได้ ทำประโยชน์แก่โลกมากมายกลายกองจนคณ า, านับไม่ได้เลยที่สั่งสอนใจโลกให้พ้นไปได้โดยลำดับลำดับในปัจจุบันที่ท่านยังสรงประทนอยู่ก็มีจานวนมากมายนอกจากนั้นเรววิชชาดขายังเป็นแนวทางที่ถูกต้องสวยงามให้บรรดาผูน้นักถือเคารถท่านใน ด, ดำเนินปฏิบัติตาม อย่างพวกเราทั้งหลายดำเนินอยู่เวลานี้เราจะไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานไปแล้วนั้นเป็นความเข้าใจผิดซึ่งมีฝังใจอยู่แทบทุกคนเราไม่ทราบว่าเป็นความผิดคือถ้าเราว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานไปนานแล้วนั้นไปตามการตามสมัยธรรมดาก็ไม่มีความเสียหายแต่สําคัญที่ว่าพระเจ้าปรินิพพานานแล้วเหมือนกับลื้อขนโอ ศาสนธรรมไปด้วยหมดทั้งฝ่ายมากฝ่ายผลยัเหลือตั้งแต่ชื่อคำภีใบราย น, นั้นไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเป็นลักษณะอย่างนั้นจึงว่าเป็นความผิดถ้าคิอย่ณ์นั้นก่อนที่พระองค์จะพุทนิพันธ์ก็ประทานพระวาดไว้กับพระอนุนตอนที่พระอนุน ป, ประทุนถามท่าน พอเมื่อพระองค์ปรินิพพานนานปริปรนิพพานไปแล้วงานเท่าไรมรรคผลนิพพานก็ขึ้นเสข็จขิ้งสมัยหมดเข็หมดสมัยผู้ทำมาสางเราก็ว่าพระนริอท่านรู้สึกว่าท่านท่านรับสังเด็ดเหมือนกันเป็นลักษณะอย่างนี้พระนรนถามถามาทำไมเพราะว่าทั้งหมดที่เราท้าพดมอบไว้แล้วเพื่อมรรคผลนิพพานทั้ง น, นั้นเนี่ยเราไม่ได้เอามรรคผลนิพพานของใคร ไปทั้งสิ้นนอกจากตัวของเราเองเท่านั้นที่เราทำละเรียบร้อยแล้วอันเป็นสมบัติของเราโดยเฉพาะมีเท่านั้นนอกนั้นไม่มีอะไรบกพร่องของผู้ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบผู้ปฏิบัตททิธรรมรุ่งกวนจะทํายังมีอยู่พระอรหันต์ไม่สิ่นจากโลกอนนอย่าสงสัยนะั่นทำนี้ น, นั่นแลจะเป็นครูเป็นอาจารย์แทนเราจะถาคตเมื่อเราไปนิพพานไปแล้วนะ นี่เป็นหลักทั้งพันเพะนั้นการปฏิพาน์จึงเป็นเรื่องของพระองค์โดยเฉพาะไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องมรรคผลนิพพานที่พระองค์จะทรงรือถอนไปหมดดังด้วยความเข้าใจกันศาสนาล่วงไปนานแล้วมรรคผลนิพพานหมดนี่ก็เป็นความเข้าใจผิดศาสนาล่วงไปไหนเท้าวาดต้งมีอยู่ทุกบททุกปาฏเตยสมบูรณ์ ที่ประทานไว้แล้วความบกพร่องก็คือผู้ปฏิบัติตามนั้นทำไมเป็นผู้บกพร่องและจะสมบูรณก็คือผู้ปฏิบัติตามอะไรที่บกพร่องเพราะการปรานิพันธ์ของพระพุทธเจ้าไม่ปรากฏนอกจากที่พระองค์ประทานด้วยพระองค์เองเมื่อปฏิพันธ์ไปแล้วก็หมดพุทธภาระในส่วนนั้นหมดไปผู้ที่จะควรได้รับประโยชน์ ในะยะที่พระองค์ทรงประชวอยู่ก็เป็นแล้วว่าผ่านไปอันนี้เห็นด้วยแต่เพราะว่าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วเพื่อมรรคผลิพานโดยตรงนั้นไม่มีอะไรสงสัยในเบื้องต้นก็นได้พูดถึงเร่องนักรบพระพุทธเจ้าเป็นนักรบท่านเอกท่านเยี่ยมไม่มีใครบอกทางไม่มีคนบุบายวิธีที่จะรบ กับกิเลสอาชวะทั้งหมดไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนเรียกว่าเสียมผูตรงมันเป็นที่แรกเขาเป็นไปในความด้่นดาวเพราะไม่รู้ไม่เห็นไม่เคยปฏิบัติทำก็ไม่เคยรู้ก็เห็นควาดุ่นดาไปเป็นธรรมดาสุดท้ายก็ถูกต้องจนกระทั่งในชัน้นากิเลสออกหมดในพระไทยแล้วก็ น, นำอุบายวิธีที่ถูกต้องนั้นมาสั่งสอนโลกโดยลําดับัลำนับ คือเชื่อพระองค์ท่านได้สําเรธิ์มรรคผลนิพานตามเสด็จท่านพระองค์ดังนั้นก็ประทานพระอวาธเอาไว้ใผู้ดำเนินปฏิบัติตามเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่ปรากฏว่าทำบทใดบกพร่องสำคัญที่สุดก็คือมัชฌิมาปฏิปทานี่เป็นทางดำเนินโดยตรง ส่วนพระสูตรนั่นพระสูตรนี้ที่ท่านกล่าวไว้นั้นก็เป็นคติเพื่อเตือนใจของเราเป็นขแนขแนงแขนงไปแต่ส่วนสำคัญจริงๆซึ่งเป็นองค์แห่งการปฏิบัติหรือองค์แห่งมากจริงๆเพื่อมรรคผลพันธุ์ล้วนๆแล้วก็ได้แก่สมาธิสัมมาสังโกปะยมวิชชังสมาธินี้เคลื่อนข้าไปไม่ได้อันนี้เพราะนี้เป็นทางเลยดําเนินโดยตรงใครจะปตัดรัดให้ขาดความลงไปยิ่งกว่านี้ก็ไม่ได้ อย่าไปยืดเยอะยิ่งกว่านี้เขายายออกให้ยิ่งกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะเป็นธรรมที่จําเพาะเหมาะสมกับการแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีธรรมะไม่มีกิเลสตัวใดชนิดใดที่จะเหนืออํานาจไปจากมรรคที่พร้อมแล้วด้วยมัชฌิมาคือท่ามกลางเหมาะสมมีอันนี้เป็นสำคัญแล้วคําว่าสัมมาทิฏฐิจะหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงปัญญาความเฉลียวฉลาด ความเฉลียวฉลาดนั้นแหลเป็นเครื่องที่จะชำระกิเลสได้เพราะกิเลสมันก็เฉลียวฉลาดไปแบบหนึ่งของมันไปแบบผูกมัดสัตว์โลกธรรมะที่เรียกว่าปัญญานี่เป็นความเฉลียวฉลาดที่จะถอดถอนแก้สิ่งที่ผูกมัดนั้นออกจากใจิตใจของสัตว์โลกทสมาที่ธิสัมมาสังกปลุลสองอย่างนี้เป็นเรื่องของปัญญาสมาวาจารสมากรรมันโตสมาคิโรสมามายาโสมาสติสมาสมาธิ มีไปเป็นองค์ประกอบไปโดยลําดับลำดับมีเป็นธรรมจาเป็นอย่างนี้แล้วมีอยู่แล้วมีอยู่อย่างสมบูรณ์ไม่มีรายบกพร่องถ้ามัชคือข้อปฏิบัตินี้บกพร่องในรายใดในผู้ใดผู้นั้นก็ถือว่าทางดำเนินของตนบกพร่องถ้ามัชฌิมาปฏิปทานนี้สมบูรณ์ในผู้ใดไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่านักบวชและฆราวาสผู้นั้นที่ว่า ดำเนินทางโดยถูกต้องจะถึงจุดที่หมายไม่เน่นนานไม่มีทางปิดทางแน่คือทางมัชชิมานี้เท่านั้นเรานั้นเอาแน่ไม่ได้มีเป็นทางเดินที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านก็นดําเนินอย่างนี้ทรงรู้ทรงเห็นอย่างนี้ประทานไว้เจสันโลกก็ประธาแบบเดียวกันผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติตามนี้ทำคือมัชชิมานี้ จึงเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการแก้กิเลสทุกตัวเพียไม่มีกิเลสตัวใดที่จะนองเหนือปะจับมัติมาปฏิบัติานี่เราจงเป็นที่นอนแน่ใจกับธรรมนี้นี้ตั้งแต่จะพยายามส่งเสริมให้มีกําลังมากขึ้นคําว่าสมาสติคือปัญญาพิจารณาให้รอบตัวกิเลสมันอยู่รอบใจปัญญาต้องพิจารณาให้รอบใจรอบตัวกิเลส อ, อยู่รอบตัวปัญญาไปรอบตัวกิเลส อ, ออกไป ตีแพ่อำ น, นาจไกลขนาดไหนปัญญาตามต้อนตามตีมาเดืออุบายแยบคายของตนมันสลัดตัดทิ้งเกลดประเภทนั้นนันออกได้โดยลำดับอำนับไม่ให้มอะไรมีเหลือนี่ปัญญาเท่านั้นสติตามตามผลของงานตามงานขณะกำหนดก็สติให้มีไปตามสติกับปัญญานี้เป็นธรรมสำคัญมากในการดำเนินมากแล้วอะไร ที่จะเรียกว่ากิเลสกิเลสทุกวันนี้คืออะไรเครื่องมือของกิเลสคืออะไรก็เคยอธิบายมาแล้วเราควรจะทราบเครื่องมือของกิเลสก็คือพวกขังขันพวกเนี่ยความคิดความปรุงเหล่านี้เนี่ยเป็นต้น <S 1> <S 1> อันนี้แหละเป็นเครื่องเป็นเครื่องมือของกิเลสเราอันนี้เราไปใช้ไปปรุงไปคิดไปแต่งไปสําคขันนั่นหมายถึงนั่นเป็นนั่นสิ่งนี้เป็นนี้สิ่งนั้นว่าดีสี่นี้ว่าชั่ว มันว่าไปงั้นกิเลสที่เราก็ครลให้ตามหลงตามหลงตามหมหลงตามกิเลสแล้วผลที่จะปรากฏขึ้นมาคืออะไรก็คือความโศกเศร้าความทุกข์ความทรมานทางจิตใจนี่ยเพะนั้นปัญญาจึงต้องตามแก้อันไหนที่กิเลสมันไปเสศสรนต์ขึ้นมาปัญญาไปทําลายความเสศสันต์นั้นให้ลงสู่หลักความจริงความจริงเพราะความจริงคือธรรมความแตกความปลอมนี้คือเรื่องของกิเลส แยกแยกให้มันเห็นลงตามความจริงเช่นว่าสาัตว์ว่าบุคคลอะไรเป็นสัตว์อะไรเป็นบุคคลมันติดเรื่องอะไร<ม>อะไรเป็นสัตว์พิจารณาเขา้าให้รู้ท่านว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลคำ่าบุคำ่าคนมาหญิงมาชายนี้อะไรเจดอาสะะมันว่าเป็นคนมันว่าสวยว่างามมากีลังท้าวรว่ามีคุณมีค่างั้นอย่างนี้มันว่าอ ะ, อะไรมีค่าไปหมดเรื่องกองเจดที่จะให้คน หลงค่อยตามไปร่วมจมตามมันมันก็มีค่าไปทั้งนั้นแหละอะไรๆก็ตามว่ามีค่าไปหมดเราที่ไม่ได้ใช้หวัวคิดปัญญาให้ถึงให้เห็นตามความจริงก็เชื่อมันไปก็ร่วมจมตามมันไปเรื่อยๆนีแต่ความทุกความลาบากภาใน จ, จิตใจนี่เพราะอํานาจแหงความเชื่อในจิตเล็กคล้อยตามจิตเล็กนี่ปัญญาจึงต้องตามพิจารนาแยกแยะอา้าวยกตัวอย่างเช่นกับคนอะไรเป็นคน มีอะไรบ้างถึงเรียกว่าเป็นคนแยกกันออกหนังหรือเป็นคนผมหรือเป็นคนเล็บหรือเป็นคนฟันหรือเป็นคนหังเนื้อเอ็นกระดูกส่วนในส่วนนี้หรือเป็นคนรวมไปหมดนี่หรือเป็นคนแล้วดูตามความจริงมันให้เห็นชัดด้วยปัญญาผมก็ก็เรียกว่าผมเนี้ยเป็นชื่อของผมอันหนึ่งอันนึ่นคนที่ไหนขนเล็บฟันมันก็แต่ละอย่างอมันเป็นอย่างนี้มารวมกันแล้วเรียกว่าคนจะรวมกันขนาดไหนมันก็คือสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นอยู่นั่นเองนะแยกใหมันเห็นชัดโดยให้ปัญญา ธนระทั่งถึงความแตกความสลางมันสล้างไปแล้วมันไปเป็นคนไหนอีกมันเป็นสัตว์ตัวไหนอีกเป็นคนอะไรอีกมันก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามเดิมของมันตั้งแต่อยู่บนอยู่ในร่างกายของเราที่ประชุมกันอยู่นี่มันก็เป็นตามธรรมชาติของมันพี่น้าแยกใกลงให้เห็นตามความจริงนี้ชื่อว่าธรรมเมื่อเห็นตามความจริงแล้วเราจะไปสงสัยอะไรไปติดไปข้องกับสิ่งใดล่ะอันนั้นเป็นนั้นนี้เป็นนี้ก็ทราบว่าอันนั้นเป็นนั้นไม่ใช่เราเราไม่ใช่อันนั้นเนี่ย ปัญญามันอย่างทราบชั้นไปแล้วติดก็แยกตัวออกมาแยกตัวออกมาด้วยอำนาจของปัญญานี่แหละท่านเรียกว่าแก้กิเลสแก้แบบนี้กิเลสคือความผูกมัดคือความยึดความถือความแบกความหามไม่รู้จักหนักจักเบาไม่รู้จักเป็นจักตายแบกไปหมดหามไปหมดยึดไปหมดดีก็ยึดถั่วก็ยึดรักก็ยึดชังก็ยึดเปลียดก็ยึดโกรธก็ยึดอะไรยึดหมดขึ้นตัวกิเลสไม่ถอยหลังมีแต่ยึดยึดลงเท่ายกระจมลงไป ผู้ที่ยึดตามพาให้จิเด็ดพาให้ ย, ยึดก็จมไปจมไป จ, ไปจิตจของเรามันจมลงไปเรื่อยๆเพราะกิเลสเหยียบย่ําทํำลายนั่นเมื่อปัญญาได้ฝุดค้นลงไปให้ถึงหน้าฐานความจริงแล้วจิตมันก็ดีดขึ้นมาดีดขึ้นมาจากความล่มจมที่กิเลสเหยียบย่าทํำลายดีดขึ้นมาดีขาดขึ้นมานัน่นนี่เดียวเรียนหนักความจริงธรรมคือความจริงสอนตามความจริงผู้พิจารณาก็พิี่ณาเห็นตามความจริง เห็นอย่างท่านอยู่ที่เขาในป่าในเขามีความทุกข์ความลําบากความทรมารขนาดไหนท่านไม่สนใจท่านตัพิจารณาในสถานที่เหมาะสมเช่นนั้นเพื่อจะแก้ไขวิเลศที่มีอยู่ภายในจิตใจของท่านโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นอยู่ไหนก็รื่นเริงงานการอะไรถ้าเราทําลงไปหากว่ามีแต่ความบังคับบัญชาจิตเฉยโดยไม่มีรสไม่ขาดโดยไม่มีความดึงดูด ไม่มีความพอใจแล้วมันทำเป็นไม่ได้ไม่ว่างงานโลกไม่ว่างงานทางธรรมงานทางโลกก็ทำเมันไม่ตลอดเหมือนกันครายโดยบังคับจิตใจอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มงานไม่ว่างงานชิ้นไหนมีจต่การบังคับให้ทํานแม้จะอยู่ในบ้านในเรือนก็ต้องบังคับให้อยู่ไม่ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันไปไหนมาไหนต้องถูกบังคับจําจองให้ไปไม่เป็นไปด้วยความสมัครใจมันจะเป็นไปได้อย่างไรคนเราไปก็ไปไม่ได้อยู่ก็อยู่ไม่ได้ทํางานก็ทํางานไม่ได้อรับทานก็ไม่มีรสในชาติอะไรเลยบังคับให้รับทาน อะไรมีจะถูกบังคับเสียหมดอยางนี้โลกจะเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครที่จะพอใจจะทํานี่จะถูกบังคับไปหมดมันเป็นไปไม่ได้สิ่งเหล่นั้นต้องล้มละลายงานการเท่าไหร่ต้องล้มละลายแต่นี่เพราะเห็นไหนโลกจึงเป็นโลกงานจึงเป็นการเป็นงานก็เ พ, เพราะมีเหตุมีผลมีเครื่องหนึ่งดูดพาให้ทําถึงทำถึงยากลาบากก็มีเหตุมีผลที่ควรจะทําต้องบังคับจะทําเมื่อทําลงไปแล้ว ผลที่พึงได้รับก็เป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเครื่องประจักษ์กับใจก็ให้เกิดความดูดดื่ให้เกิดความพอใจคนเราจึงทําได้ด้วยการบังคับบ้างด้วยความพอใจบ้างแต่ต่อไปก็เป็นความพอใจการงานทั้งหลายไม่ว่าชินเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นอะไรๆมันสําเร็จไปได้ด้วยอนานาจของความพอใจคนเราถ้าพอใจโดยทางเหตุทั้งผลแล้วความอุตสาห์พยายามมันเป็นมาเองนี่เราพูดถึงเรื่องทางโลกงานทั้งทางโลกเป็นอย่างนี้มันมีรถมีชาติมีเครื่องดึงดูดให้พายให้ทําให้เป็นให้ไป มันถึงเป็นไปมันถึงทำอันนี้ย่นแยกมาทางเรื่องงานของศาสนางานแจ็กกิเลสอาตวะงานบาเพ็ญกุณงาความดีมันก็มีรสมีชาติเช่นเดียวกันเห็นการทําทานทานั้นเราจะหมดไปเพียงไรก็าตามแล้วก็ทราบว่าเราให้เพื่อสิ่งนี้หมดไปและเพื่อให้คนอื่นได้รับความสุขความสบายเช่นประจักรอยู่นี่นั่นรุดจากมือเราไปก็ไปอยู่ในมือคนนั้นคนนั้นได้รับความสุขความสบายเพราะการเสียสละของเรานี่เราเห็นชัดๆคือเรายื่นความสุขให้เขา เร่อ ค, ความหิวความโหยเขามีความลาบากลาบนไม่อยู่ได้กินก็มีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นนอนไม่สะดวกสบายก็เป็นทุกข์กินไม่ได้กินอิ่มน้ำธนลานก็เป็นทุกข์อะไรๆเกิดขึ้นมาเป็นการกระทกกระเทือนร่างกายใจใจเป็นทุกข์ทั้ ง, งนั้นที่เมื่อเราเสียจะร้ายเขาเราจะให้ข้าให้น้ําก็ตามให้ที่อยู่ที่อาศัยก็าตามให้เงินให้ทองก็าตามให้ขนมขนมก็าตามมันเป็นการเอาความสุขให้เขาหลุดจากมือเราไป ก็เป็นความสุขแก่เขาเนี่ยเราเห็นประจักษ์นี่แหละทําให้เกิดความภาคภูมิใจหมดท่าไรก็หมดไปชอบความสุขเห็นประจักษ์อยู่ในสิ่งที่เราให้ไปแล้วไม่เสียไม่เสียผลเสียประโยชน์คนอื่นได้รับความสุขตามเจตนาของเราจริงๆเห็นได้ชัดนี่ผลอย่างการให้ทานก็มันก็เห็นได้ชัดอีกอย่างนี้เพราะฉะนั้นทานจึงไม่เสื่อมไปจากโลกเมื่อโลกยังเห็นเหตุเห็นผลแต่ตามหลักธรรมอยู่เช่นี้แล้ว เรื่องการงสงเคราะห์ซึ่งการณ์นี้จะเป็นไปจนกระทั่งถึงว่าไม่มีมนุษย์ไม่มีสัตว์ตัวใดข้างอยู่ในโลกนี้ทานจริงจะหมดไปนี่แทนเรื่องเรื่องรักษาศีลก็เหมือนกันศีลเป็นยังไงทำความระบเบียนให้แก่เราอย่างไรบ้างเราก็ไม่ไปเบียดเบียนใครอันใดที่ขัดข้องต่อจิตใจและสมบัติเขาเป็นอันตรายแก่สมแก่สมบัติและจิตใจเขาเราไม่ทําแม้เขามาทําเราเราก็เสียใจต่างคนต่างรู้ความจริงของการณ์รู้ จิตด้วใจซึ่งกันและกันแล้วมันก็ทํากันไม่ลงเนี่ยต่างคนก็ต่างเย็นเราไม่ไปทำลายจิตใจของใครสมบัติของใครเราก็เย็นไม่ว่าสีทประเภทใดมีความเย็นนี่นั้นก็พอใจรักษาสีถึงจะรักษายากมันก็พอใจเพราะเหตุผลบอกอยู่นี้อย่าชัดเจนแล้วเราก็ภูมิใจของเราเราไม่ก่อความเดือดร้อนน่าเจ็ผู้ใดไม่เดียดเบียนใครไม่ฆ่าไม่ทําลายใครไม่จบไม่ลักไม่ปลดไม่สะดมของใครสมบัติของใครไม่เอาไม่ใช่ของเราแล้วเราไม่เอานี่เราอยู่ด้วยความภูมิใจ อย่างนี้เพราะสิ่ของเราเนี่ยเราก็พอใจรับนี่การภาวนาเอ้าเราพูดถึงเรื่องการภาวนาการภาวนาถึงจะทุกจะลําบากก็เราทำงานเนี่ยตัวข า, าตัวมันเสียดจันร์ลายอยู่ภายในจิตใจของเราเหมือนกับเสือร้ายซึ่งมีอภายในใจเขาเรียกว่ากิเลสมันหลายประเภทความโลภ ก, ก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งความโกรธก็เป็นเสือร้ายตัวเสือร้ายตัวหนึ่งความหลง ก, ก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งแต่แขนไปเป็นลูกเป็นหลานของเสือร้ายทั้งนั้น ด้วนแรกตั้งแต่กัดแต่กินแต่ฉีกมนุษย์และสัตว์กินทั้งนั้นหะอืกเสือร้ายเหล่านี้ไม่เอาอะไรเป็นอาหารนอกจากหวัวใจของสัตว์โลกนี้เป็นอาหารฉีกอยู่งั้นกัดอยู่งั้นอ่าไม่ตายก็ให้เสียสุขภาพภายในจิตใจถ้ามากกว่านั้นก็เสียสุขภาพทางร่างกายอยีกด้วยคนที่เสียใจมากมันเป็นบ้าเป็นบ อ, ปนบอไปได้ไม่เสียสุขภาพทางร่างกายได้ยังไงนี่นี่เสือร้ายมันมีอภายในใจการแก้ไขการทำลายเสือร้ายเหล่านี้มันเป็นความถูกต้องมีงาม แล้วพิจารณาดูสิแล้วทําทไมจะไม่พอใจคนเราเอาทุกข์ก็พอใจเมื่อเราทราบแล้วว่าสิ่งนี้เป็นอัลตรพิษเป็นเสือร้ายตัวหนึ่งตัวหนึ่งอยู่แล้วเราจะมีเลี้ย ง, งมันไว้ทําไมเลี้ยงมันไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์อะไรนอกจากคอยทายอยอยอยยําลายความเบียดเบียนคอยมยุ่ยหย่กวามควรจิตใจเราให้ชอบช้าขุนยตลอดเวลานอกจากนั้นก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนอนไม่หลับกินไม่ได้หนึ่งว้วนนี่ตั้งแต่สืรา้านเข้าไปทาาจจําลายภายจิตใจการทำภาวนาเพื่อจะถอดถอนเพื่อจะแก้ไขหรือเพื่อจะ ทำลายเสือล่นี่ตาปามเสือไล่นี่ให้มันตายลงไปนับแต่พ่อแต่แม่แต่ลูกแต่ห ล, ลานมันไปเพื่อบ้านเมืองถึงหมายทั้งจิตใจเราจะได้รับความร่ภเงินไปสูขทําไมเราจะไม่พอใจทํานี่แหละสากย บ, บุตรพุทธกินนรธพุทธกินนรธคือบุริษัทของพระพุทธเจ้าที่มีความพอใจต่ออัตตธรรมต่อการนมเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาก็เพราะเหตุผลอย่างนี้เองท่านถึงทำเอาทุกก็ทุกตายก็ตายเมื่อเข้าในสู่สงครามแล้วไม่ตายก็ให้ชนะอ่าตายก็ตายนี่ นี่เราเขาสู่สงครามคือแก้ขี้เลหคือสู้กับขีเลห์ตัวเป็นส่วนร้ายหรือเป็นอปัจจามิตอันสำคัญที่มันทำคอยทำลายจิตใจเรามาตลอดทีเราพอได้สติสตังและมีเครื่องศัตราวุธได้แก่ธรรมเป็นเครื่องต่อสู้แล้วเราก็ต้องต่อสู้เอาสู้ด้วยวิธีต่างๆสู้ด้วยเอียบบทต่างๆไม่ถอยนั่งก็สู้นอนก็สู้ยืนก็สู้เดินก็สู้อาการต่างๆมีแต่ท่าสู้ท่าเดียว กิเลสมันจะมีมากมาจากที่ไหนมามากมายเพียงไรก็ตามการสู้อยู่ไม่ถอยการฆ่าอยู่ไม่ถอยไม่ส่งเสริมกิเลสมีแต่การทําลายกิเลสเดิมดับมันก็ต้องค่อยหมดไปหมดไปตายไปตายไปตายที่นั่นตายที่นี่เนี่ยนั่งอยู่ก็ฆ่ากิเลสนอนอยู่ก็ฆ่ากิเลสกิเลสตายเกิดอยู่ตามที่นั่งที่นอนหมอนหมูหัวก็ตามพิจารณาทั้งนั้น กิเลสก็ตายไปหมดอ้าวเข้าทางกรมก็ไปฆ่าเงี้กองนันนี่น่างกรมเข้าป่าเขาฆ่ากิเลสอย่นั้นไม่ต้องไปเผาศพมันหาภูษลาธรรมามายุ่งแหละฆ่ากิเลสมันฆ่าง่ายจะตายไปแต่ต้องไปหานิมนต์พระมาภูษราทำมาภูษราทำมายุ่งไปยุ่งมาลำบากกว่ป่าเนียฆ่าตัวพิษตัวพายอยู่ภายจิตใจของตนอำให้มีความเข้มแข็งกิเลสมันสู้ความเข้มแข็งไม่ได้สู้สติสู้ปัญญาไม่ได้ก็เป็นสาตวราบที่ทันสมัยที่สุด ตั้งแต่สมัยใดมาไม่ว่าไม่ว่าพระพุทธเจาออ้าองค์ใดด้วนเนีตั้งแต่ใช้สติใช้ปัญญานี้ทั้งนั้นเป็นเครื่องปราบตามกิเรศอาศัยความาพเพียรความอุตสาห์พยายามเป็นเครื่องหนุนหลังแล้วกิเรศก็ตายไปด้วยเหตุด้วยอุบายอันนี้ด้วยวิธีการอันนี้เราจะวิธีการใดมาใชาส้สมัยใช้โดยวิธีการนี้ยากก็เป็นวิธีการที่ชนะกิเลสเป็นวิธีการที่จะเอาใจาชนะกับพิเลศเป็นวิธีการที่จะปราบกิเรศให้อยู่ในเงือมือของเรายากก็เอาพอปราบง่ายก็ปราบไม่ถอย จนกระทั่งเสือล้าอยู่ภายใจิตใจมันคิปหายตายไปหมดแล้วเราอยู่สบายนั่นแหละชัยชนะมีแล้วภายใจิตใจเพราะพี่เดกตายไปหมดไม่มีอะไรมายุ่งมากวนไม่มีอะไรมากักมาฉีกมายุ่แย่ทําลายแสนสบายอยู่ไหนก็สบายสบาย ส, ายสุขั้งมาตะสุขั้งมาตะอย่างพระมหากรุณาิบดท่านออกอุทานแต่ก่อนท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินยุ่งยากโอ้จนไม่มีเวลาที่จะบันทมกลางคืนมาดีเพรา ะ, ะเสด็จออกมา สงฆ์พนวดได้บรรลุธรรมถึงขั้นพระอรหันต์แล้วอยู่ที่ไหนกัสุขขังวาตาสุขขังวาตะสุขน้อสุขน้อก็สุขละสิไม่มีอะไรมาบังคับไม่มีอะไรมากดขี่ไม่มีอะไรมากัดมาฉีบมายุ่งใหญ่ก่อกวนภาน จ, จิตใจโล่งเพด้วยสิลด้วยอดด้วยธรรมโล่งเพด้วยความบริสุทธิ์ว่างาไปหมดโลกธาตุนีไม่มีอะไรเข้ามายุ่งกวนจิตใจเลยว่างไปหมดนี่แหละว่างจากที่เหลือตัญหาอสวะเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆในกายเั็นใจที่ว่างไปหมด ว่างทุกข์ว่างความโศกเศร้าโศกะอะไรว่างสิ่งที่เป็นเสนียดจันนายภารกิจใจไม่มีเลยนั่นว่างอย่างนี้หเแสนสบายนี่คือชัยชนะนี่คือผลแห่งการรบนี่คือผลแห่งการกระทําที่จะเป็นความลําบากยากเย็นเขินใจขนาดไหนก็ตามผลเป็นที่ยอมรับกันมากทัศน์อย่างนี้แล้วเหตุใดพุทธบริษัทเราจะไม่พอใจ ดังที่เราทั้งหลายบำเพ็ญอยู่เวลานี้ก็เป็นของยากของลำบากแต่เราก็พอใจทำเพราะเหตุผลบอกอยู่แล้วว่าการทํานี้เป็นผลประโยชน์อย่างนี้อย่างนี้เราต้องทําเอายากก็ทำํำง่ายก็ทําเป็นก็สู้ตายก็สู้ถึงชื่อว่านักรบไม่ใช่นักหลบนีนี้นักหลบมันเป็นอีอย่างอี่อ่ะคอยอจะหลบอี่อ่ะคอยจะหลบนะแต่เราไม่ใช่นักหลบมันเป็นนักรบสู้ทีนี้นี่แหละศาสนาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ รพระนิพนธ์ไปแล้วก็ตามอันในที่ทรงชี้ไปแล้วโดยถูกต้องสิ่งนั้นจะไม่เปลี่ยนปแปลงปจากความถูกต้องนั้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างจริงตามจัดตามส่วนที่พระองค์เจ้าตรัสไปแล้วว่าสวขคาตกัก็ตรัตสมงสตตัดไม่ชอบแล้วนิยานิกระทัมก็เป็นธรรมที่จะนําบุคคลผู้ปฏิบัติให้พ้นจากทุกเดินแบบเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าทรงพระชนม์อยู่ไม่มีอะไรผิดแปกแต่ต่างกันเลยนี่จึงเป็นที่ภูมิใจที่เราได้เกิดในท่ามกลางแห่งสาสนธรรมที่ถูกต้องในหนังมุติเจ้า เหมาะสมที่สุดมนุษย์เป็นที่อํานวยที่สุดเป็นภาชนะเหมาะสมที่สุดกับศาสนธรรมท่านที่ในประกาศศาสนาลงไว้ที่มนุษย์เราแล้วมนุษย์ได้แก่ใครถ้าไม่ได้แก่เราใจที่มันเหมาะสมกับธรรมได้แกใจใครถ้าไม่ได้แก่ใจเราผู้ปฏิบัติธรรมอยู่แถนี้มีเท่านี้เป็นที่เหมาะสมที่สุดึ่งขอให้สู้เอาวหัวขาดเถอะคือว่าลูกตาทาก็แล้วพระพุทธเจ้าจะคุศลาเองถ้าเราได้เป็นอย่างนั้นแล้ว เอาละที่จะจออย่อทางปอดต้องก่อนขึ้นบนอากาศเลยไม่ลงเอาละเลยอยู่บนอากาศไม่มีแอะ